จเจรินพรท่านสาธุชนพุทธบบอรสัตว์บาสุโอบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันที่29พสิเพฤศจิกายนพุทธศักราช2553เป็นวันพระวันธรรมวนะัฒนสวระเป็นวันมงคลเพราะญาติโยม ได้มากระทำสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆเช่นการทาบุญให้ทานการรักษาศีลและการทำเทศทำธรรมนี่คือเหตุของความสุขและความเจริญเป็นมงคลแก่ชีวิตดังในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากาเลนมมะธรรมะสวนัมเอตัมมังกาลุตตมัง การได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเวลาฟังธรรมนี้จะได้รับประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันเช่นจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับส จะทำให้จิตใจมีความสงบผ่องใส 4. จะทำให้ขจัดความสงสัยหายไปได้ 5. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือประโยชน์ที่รับเราจะได้รับจากการได้ยินได้ฟังและจะเป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะ จะทาให้เรามีความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงการที่เราจะฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เป็นมงคลเราต้องฟังแบบตั้งใจฟังคือไม่ได้ฟังศัก์แต่ว่าฟังคืออย่าฟังแบบทับทีในหม้อแกงคือฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรทับทีกับแกงนี้จะไม่รู้ว่า แกงนั้นเป็นรสชาติอะไรจะฟังต้องฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นของเราเวลาสัมผัสกับรสชาติของอาหารเราจะรู้ทันทีว่าเป็นรสชาติแบบไหนอร่อยหรือไม่อร่อยฉนันใดการฟังธรรมต้องฟังแบบลิ้นกับแกงการจะฟังธรรมแบบนี้ก็ต้องมีความตั้งใจคือมีสติ จดจออยู่กับการฟังไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นไม่ปล่อยให้ปากไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้ร่างกายไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องสงบกายและสงบวาจาฟังแล้วถึงจะเกิดปัญญาการสงบกายและสงบวาจาก็คือการดีศีลนี่เองส่วนการสงบใจก็คือสมาธิ ถ้ามีศีลมีสมาธิฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็จะเกิดการบรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆอย่างในสมัยพระพุทธการและที่มีการบรรลุธรรมกันอยู่เสมอในเวลาที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจา้าเพราะผู้ฟังก็ฟังด้วยศีลด้วยสมาธิ คือกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจตั้งฟังตั้งใจฟังอยู่อย่างเดียวเมื่อได้มีมีกายวาจาใจที่สงบมีเสียงมีสมาธิพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเพราะคสอนของพพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้ เป็นความรู้เป็นความรู้เป็นบัญญาทั้งนั้นเป็นน้ำก็เหมือนกับเวลาเราเท น, น้ำใส่แก้วถ้าเราไม่จับแก้วไว้ให้อยู่เฉยๆถ้าสมมติแก้วมันกลิ้งไปกลิ้งมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเวลาเท น, น้ำลงไปในแก้วก็จะไม่เข้าไปในแก้วเช่นเวลาเรานั่งอยู่ในรถที่มีการเคลื่อนไหว มีการสายไปสายมาเวลาเราจะเติมน้ําใส่แก้วนี้จะเติมไม่ค่อยได้ได้ก็ไม่ได้มากฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างเหมือนกับแก้วถ้าใจนิ่งฟังธรรมแล้วก็จะได้รับปัญญามากถ้าใจไม่นิ่งใจสายไปสายมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ใจก็จะไม่ได้รับสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ดังนั้นขอให้เราตั้งสติให้ดีเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมส่วนสิ่งที่เราได้ยินจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั้นก็ไม่สําคัญถ้าเข้าใจเราก็จะเกิดปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะได้สมาธิคือได้ความสงบถ้าใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ สงบแล้วในขณะที่เราเริ่มต้นฟังแต่จะสงบมากกว่า น, นั้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้ตั้งใจฟังอยู่อย่างเดียวถ้าเราฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจเราก็จะเกิดปัญญาก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะขจัดความสงสัยในสิ่งต่างๆได้นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรม ที่เราควรที่จะหมั่นฟังอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันพระก็ควรจะได้ฟังเทศสักครั้งหนึ่งวันพระนี้แปลว่าวันธรรมะสวัะธรรมะสวัสก็คือการฟังธรรมนี้เองถ้าเราไม่มีวันพระเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมกันเพราะเราจะต้องไปทําภารกิจการงานต่างๆไปทางาน ถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือก็จะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมใจก็จะไม่ได้มีความเห็นที่ถูกต้องใจก็จะมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจากเป็นดอกบัวแล้วก็จะไปทำในสิ่งที่ผิดกับเจตนารมไปทำในสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับตน แทนที่จะทำมนสิ่งที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับตนเพราะมีความเห็นผิดเช่นคนที่ไปเล่นการะนันไปเสพสุรายาเมาไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนไม่ดีเป็นมิตรหรือเป็นคนเกียดคร้คามการกระทำเหล่านี้เกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี คนที่เดื่มโชลาก็มักจะคิดว่าการเดื่มโชลานี้ดีทำให้ตนมีความสุข <c oughs> คนที่เล่นการพ น, นัน <c oughs> ก็เช่นเดียวกันคนที่ไปเที่ยวกับคืนก็เช่นเดียวกันคนที่คบคนไม่ดีเป็นมิตรก็เช่นเดียวกันคนที่มีความเกลียดคร้าก็เช่นเดียวกันจะคิดว่าทำสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้ตนเองมีความสุขมีความเจริญ <c oughs> แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขนั้นมักจะเป็นคนที่ตกต่ำจิตใจจะเสื่อมลงไปฐานะการเงินการทองก็จะเสื่อมลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวได้เพราะการกระทาเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสร้างให้เกิดทรัพสมบัติ เข้าของเงินทองต่างๆมีแต่จะดูทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่ให้พล่องไปให้หมดไปในที่สุดทําไมคนถึงยังยุ่มกับอบายามุกกันอยู่นั่นก็เพราะเขาขาดสัมมาทิฏฐินั่นเองไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเขาว่าอบายามุกนี้เป็นอันตรายเป็นอันเป็นโทษ เป็นเหมือนงูพิษจะทำให้ชีวิตตกต่ำจะทำให้ยากจนจะทำให้ทุกข์ให้เดือดร้อนแต่ถ้ามาได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะรู้ว่าอาบายามุขนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ให้ไปทำไม่ไปเสกเพราะมันเป็นอันตราย เป็นเหมือนลูกระเบิดเวลาที่จะต้องระเบิดไม่ช้ากันเร็วหรือเป็นเหมือนงูพิษที่จะต้องกัดผู้ที่ไปอยู่ใกล้งูพิษอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกกันเพราะเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคนที่ไปยุ่งเกี่ยว น, นี้แสดงว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง หรือถ้าฟังก็ฟังแบบทับพีในหมอแบบ้อแกงฟังแบบไม่ได้เอามาคิดพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้คนที่ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่สม่ำเสมอจึงมักจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายยมุกต่างๆเมื่อไม่ไปเกี่ยวข้องชีวิตก็ไม่ตกต่า ชีวิตก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเพราะแทนที่จะเกียจคร้านก็จะขยันขยันทร ม, มาหากินหาทองหาเงินหาทองพอได้เงินทองมาก็ไม่เอาไปใช้กับการเล่นการพนันไม่ไปใช้กับการเสพสุรายาหมาไม่ไปใช้กับการเที่ยวเปรยและเก็บเอาไว้เอาไปฝากธนาคารหรือเอาไปลงทุนทาธุรกิจ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทำอย่างนี้ไปไม่นานก็จะรวมก็จะร่ำรวยขึ้นมาเพราะไม่มีรายจ่ายมีแต่รายรับถ้าเป็นน้ำตุ่มน้ำก็เป็นตุ่มน้ำที่ไม่มีรอยรั่วเติมน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็จะไม่ไหลออกมาไม่รั่วออกมาไม่เหมือนกับตุ่มน้ำที่มีรอยรั่วเติมเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักที และมันจะพร่องอยู่เรื่อยๆต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆคนที่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกนี้จึงไม่สามารถที่จะร่ำรวยได้แต่คนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกนี้สามารถที่จะร่ำรวยได้เพราะเหตุคือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามกุกตันเองนี่คืออา น, นิสงส์อย่างหนึ่งที่จะได้ จากการฟังเทศฟังธรรมคือจะได้ยินในเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินกันถ้าเราไม่ได้เข้าวันนี้จะไม่มีใครพูดเรื่องโทษของอบายามุขมีแต่โฆษณาคุณประโยชน์ของของอบายามุขเช่นสุรานี้เขาก็โฆษณาอย่างอย่างเก้อย่างเก๋อ ย, เกอย่างไกอย่างว่าเดิมสุราแล้วจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เล่นการพนันแล้ว จะได้เงินได้ทองมากมายแต่เขาไม่พูดว่าเดือมุราแล้วจะต้องตายก่อนวัยเดือมุราแล้วจะไม่มีสติไม่มีสตังเดือมุราแล้วจะเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพเขาไม่โฆษณาแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เรารู้ความจริง เขาต้องการให้เราเห็นผิดเป็นชอบให้เห็นว่าสุราและอบายมุกต่างๆนี้เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์นั่นเองแต่พอเรามาวัดเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินกับตรงกันข้ามกันเราจะได้ยินเรื่องของของผิดสุราของโทษของการเดิมสุราของอบายมุกทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่เราจะได้ยินที่เรามักจะไม่ได้ยินกันแล้วเมื่อเราได้ยินบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นเพราะบางครั้งฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจต้องพูดหลายๆหนต้องฟังหลายๆหนพอฟังไปหลายๆหนพูดไปหลายๆหนแล้วก็จะเกิดความเข้าใจก็จะหายสงสัย ไม่ไม่ไม่สงสัยเลยว่าอบายมุขนี้มีมีคุณหรือมีโทษนะจะรู้เลยว่าอบายมุขนี้มีแต่โทษอย่างเดียวไม่มีคุณเลยนะนี่คือเรื่องของอานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมที่พวกเราจะได้กันนะขอให้เราพยายามฟังกันไปเรื่อยๆ แล้วชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าไปตามลาดับเพราะการฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่นี่เองพวกเราทุกคนเป็นเหมือนนั่เดินทางเรายังต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนต้องการก็คือต้องการไปสู่ความสุขและความเจริญต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้วิธีหรือเราจะไม่รู้ทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ถ้าเราฟังธรรมแล้วเราจะรู้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วแล้วท่านไดน้นำเอาวิธีที่ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ มาเผยแปมาสั่งสอนให้แก่พวกเราวิธีที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือให้เราทำความดีเช่นทำบุญให้ทานให้เราละบาปและอบายมุกทั้งหลายเช่นให้รักษาศีลหรือให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเสพชูลายามาผู้ปดเจ็บ นี่คือบาทหรืออบายามุกที่เราจะต้องละเว้นถ้าเราไม่อยากจะไปพบกับความทุกข์ถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องรักษาศีลให้ดีละอบายามุกให้ได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็ต้องทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการ นั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาเพราะเป็นการชำระใจนั่นเองสมาธิจะทำให้ใจสงบพอใจสงบกิเลส ก, ก็จะสงบตัวลงไปใจก็จะสะอาดชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอใจออกจากสมาธิแล้วกิเลส ก, ก็จะ ออกมาใหม่ออกมาลดออกมาเพ่นพ่านออกมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจใหมก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวทําลายกิเลสกิเลสนี้เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้จริงเพราะไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ยินได้ฟังพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, นน า, ำำาก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ เราโลกเราอยากได้นี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถราควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นบุคคลก็ดีเป็นข้าวของต่างๆก็ดีเราไม่สามารถบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอ เวลาเราอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เสมอไปเวลาเราต้องการจะทำอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำได้เสมอไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเรานั่นเองเขามีอำนาจที่เหนือกว่าเราอำนาจของธรรมชาติ ธรรมชาตินี้เราไปบังคับไปสั่งไม่ได้เราไปสั่งให้ฝนตกแดดออกไม่ได้เราไปสั่งให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เราไปสั่งไม่ให้เงินทองอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้บางวันบางเวลาเงินทองก็อาจจะหายจากเราไปได้หมดจากเราไปได้เราไม่สามารถสั่งให้คนนั้นคนนี้ อยู่กับเราได้ไปตลอดเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาดีกับเราไปได้ตลอดเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของเขาถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็จะไม่มีความหลงเราก็จะไม่มีความโลภจะไม่มีความโกรธเพราะว่าเราจะไม่อยากได้อะไร เพราะรู้ว่าได้อะไรมาแล้วแทนที่จะมีความสุขเราก็จะต้องพบกับความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปจะต้องมีการจากเราไปไม่ช้าก็เร็วหรือเราต้องจากเขาไปพอเวลาเขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปหรือเราจากเขาไปเราก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วสู้อย่าไป ม, มีอะไรดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรแบบพระพุทธเจ้ากับพระอาริยสงสาวโกทั้งหลายจะดีกว่าท่านอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ใจเพราะท่านไม่มีอะไรมาให้ความทุกข์กับท่านนั่นเองท่านไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีมมทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทอง ไม่มีลาบยอดสารเสริญสุดทางตาหูจมูกวิ้นกายแต่ท่านมีสิ่งที่ดีกว่าพวกเราก็คือท่านมีความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากใจที่สมบุกปราศจากความโลภปราศจากความอยากต่างๆสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ที่เป็นความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ใจของเราที่หลุดพ้นจากความทุกหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากความอยากต่างๆและจะหลุดพ้นได้ถ้าเราชำระใจของเราด้วยสมาธิและปัญญาพยายามเวลาอยู่ในสมาธิก็อย่าคิดอะไรให้จิตสงบนิ่งให้นานที่สุดเพื่อจะได้พัก จิตพักใจให้มีกำลังพอออกจากสมาธิแล้วเวลาเห็นอะไรก็ต้องคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้พอเห็นอะไรก็บอกไม่ดีอย่าไปเห็นว่าดีเพราะถ้าเห็นว่าดีนี่แสดงว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจักเป็นดอกบัวแล้วเพราะ ไม่มีอะไรที่ดีที่อย่างแท้จริงได้อะไรมาแล้วจะต้องได้รับความทุกข์กับสิ่งที่ได้มาอย่างแน่นอนนี่คือวิธีที่เราจะดับความอยากดับความโลภได้และถ้าเราไม่มีความโลภความอยากเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธนี้เกิดจากความ เสียใจเลิกความผิดหวังนั่นเองเวลาไม่ได้อะไร้ามความอยากก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราจะไม่มีความโกรธเลยเพราะเรายินดีกับทุกสิ่งทุกอยาก่างตามมีตามเกิดมีอะไรก็ได้ได้อะไรก็ได้เช่นวันนี้ถ้าญาติโยมอยากจะรับประทานอาหารชดิดหนึ่งแล้วไม่ได้รับประทาน ก็จะเกิดความเสียใจหรือเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้อยากรับประทานอาหารชนิดนั้นรับประทานอาหารอะไรก็ได้ก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาจะไม่เกิดความเสียใจขึ้นมาถ้าอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาดังนั้นขอให้เราจงใช้ปัญญาอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันของเราเวลาเราอยากจะได้อะไรเราต้องบอกเราทันทีว่าไม่ดีเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันจะต้องจากเราไปมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ดีเสมอไปมันดีเพียงวันสองวันเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระที่เราจะต้องมาคอยหวงคอยห่วง คอยดูแลรักษาและต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เราเสียมันไปนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ให้เห็นตายรับให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในรูปในเสียงในปิ่นในรถในโผฏฐพะ ให้เห็นในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับจิตใจมันดีกับกิเลสแต่มันเป็นโทษกับจิตใจกิเลสชอบกิเลสอยากได้แต่เวลาทุกข์นี้กิเลสไม่ได้ทุกข์ด้วยใจเป็นผู้ต้องรับความทุกข์ จากความอยากความโลภของกิเลสเราจึงต้องฆ่ากิเลสเพราะถ้ายังมีกิเลสอยู่ภายในใจมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่พอเราได้ฆ่าฆ่ากิเลสได้หมดแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยเพราะใจของเราจะไม่มีความอยากกับอะไรทั้งนั้นแม้แต่การอยาก อยู่ก็จะไม่มีจะเฉยเฉยอยู่ก็ได้ตายก็ได้จะเจ็บ่ายได้ป่วยก็ได้ไม่เจ็บค่ายได้ป่วยก็ได้จะแก่ก็ได้ไม่แก่ก็ได้จะมีก็ได้จะจนก็ได้จะมีคนด่าก็ได้จะมีคนชมก็ได้จะรวยก็ได้จะจนก็ได้ไม่สนไม่สําคัญแต่อย่างใดเพราะใจ ไม่ได้ไปมีความยินดีกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองเมื่อไม่มีความยินดีแล้วเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่รู้สึกเสียใจไม่มีความทุกข์ใจความทุกใจของเราเกิดจากการมีความยินดีมีความโลภมีความอยากกับสิ่งต่างๆนั่นเองแต่พอเรามีปัญญาเห็นโทษของความอยาก เห็นโทษของความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เลิกไม่ยอมไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่เฉยๆตามมีตามเกิดยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็พอใจกับสิ่งที่มีได้อะไรมาก็พอใจกับสิ่งที่ได้มาอย่างนี้เวลาต้องพัดพลาดจากสิ่งที่ได้มาก็จะไม่มีความทุกข์ใจ นี่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องพยายามสอนใจเพราะเราจะต้องพัดพลากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปในอนาคตนี้อย่างแน่นอนเราต้องพัดพลาดจากลาบยศสรรเสริญพัดพลาดจากความสุขทางตาหูจมูกเนื้องกายพัดพลาดจากร่างกายของคนนั้นของคนนี้และของเราเองร่างกายของเราเราก็ต้องพัดพลาดจากเขาไป ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตียมใจสอนใจไว้ให้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากอยู่กับเขาไปนานๆพอเวลาเกิดการพัดพาจากกันขึ้นมาเราจะทุกข์ทรมานใจอย่างมากแต่ถ้าเรารู้ถันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องจากเราไปเราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไป แล้วเราก็ทำใจให้วางเฉยคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ก็ได้ไปก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้พอเวลาไม่ได้อยู่ไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายใจนี่คือความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงที่ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ได้อยู่ที่สมบัติกองเท่าภูเขาไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่ง ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่กลับจะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลายเท่าด้วยกันเราจึงต้องสอนใจของเราอยู่เสมอด้วยปัญญาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้อํนานาจของเรา ที่จะสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลารับรองได้ว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันเราจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกันได้ด้วยการ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองคือทั้ความดีละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือความเป็นมงคลที่แท้จริงของชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่นองอยู่การที่มาวัดมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำบุญทาทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรม เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความเป็นสิริงมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมอมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญให้ทานมารักษาสิ่ให้ท่านแนะนำเอาไปพินิชพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลตนาตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพลิงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แถวคาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ